มาดูข้อสามสิบเอ็ดนะข้อสามสิบเอ็ดพูดถึงขณะสมถะกับวิปัสนาสมถะกับวิปัสนาเนี่ยนะลองมาดูว่าสมถะนั้นเป็นสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านอาวิเเคปะนะธรรมชาติของเขาเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านเลยส่วนวิปัสนาเนี่ยกิจของเขาคือการเห็นวิปัสนาเนี่ยกิจของเขาคือเห็นเห็นว่ายังไงวิปัสนาเห็นอะไร เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเห็นความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเห็นความคลายกําหนัดเห็นความดับเห็นความสละคืนน่ะนะผันวิปัสนาเนี่ยเห็นสมถะไม่ฟุ้งวิปัสนานี่เห็นทั้งเห็นด้วยไม่ฟุ้งด้วยจะเป็นยังไงก็เอกรสไงมีกิจอันเดียวกันน่ะนะมีรสชาติเหมือนกันคือกิจเสมอกันสงบและไม่ฟุ้งสงบไม่ฟุ้งและเห็น เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นถ้าขณะอารยมรรคเกิดขึ้นจะต้องไม่เลยกันนะจึงจะพอดีกันเนี่ยนะสมมติถ้าใครขับรถนะถ้าล้อหน้าทั้งล้อหน้ามันมีสองข้างนะถ้ามันเลยกันตะข้างเดียวอะไรจะเกิดขึ้นอย่าให้มันเลยกันนะให้มันพอดีพอดีกันนะนะเลยไปหน่อยล้อก็หลุดแล้วนั้นขณะอารยมรรคก็ต้องควบคู่กันไปอย่างนั้นแต่ตรงนี้โดยมากเขาเปรียบเปรียบเทียบกับการเทียมเกวียนอ่นะทเทียมเกวียนที่ใช้วัวสองตัวลากนะ มันจะต้องให้มันพอดีกันสม่ำเสมอกันนะให้ต้องเป็นแบบนั้นสมถะสงบไม่ฟุง้งวิปัสนาเห็นอ น, นิจจังเป็นต้นแล้วก็ทั้งคู่ต้องทำกิจเหมือนกันนะกิจคืออะไรนำออกจากวะตะแล้วต้องไม่เลยกันเนี่ยัน้นสมถาวิปัสนาเข้าเป็นอย่างนี้แหละถ้ากล่าวนะสมถานี้มีองค์เท่าไหร่ถ้าเทียบกับมรแปดนะมีหกสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยมีหกส่วนวิปัสนาเนี่ยนะก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอันสัมมาทิฏฐิก็คืออนุปัสนาเจ็ดเป็นต้นนั่นเองพวกนี้มรแปดเนี่ยจะต้องให้มาเรียบเรียงเคียงคู่กันไปคิดดูนะว่าสัมมาทิฏฐิเป็นฉไหนความรู้อริยสัจสี่ใช่ไหมสัมมาสังกัปปะกุศลสังกัปปะสามสัมมาวาจา วจีสุจเรตสี่สมากรรมตะกายสุจริตสามสม า, าชีวะก็คืออาชีพที่สภาวะของเขาเนี่ยสุจริตทั้งเจ็ดนั้นแหะดีอันนั้นสุดจเรตเจ็ดเยี่ยมสมาวายามะสมาประธานสี่สติประธานสี่ฌานสี่แล้วถามว่าทั้งหมดมาประชุมกันดูนจะเป็นยังไงก็คือหมายความว่าเอาถ้าเขาเขาขาพูดนะโบราณนี่เขาบอกว่ามียาที่มันแรงอยู่ชนิดหนึ่ง เพื่ออะไรเอาเนยใสยเนยข้นเอาน้ํามันเอาของร้อนเนี่ยนะของร้อ น, นหลายชนิดเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็โผเป็นของร้อนนะมาผสมแนละ้วต้มดูที่มันจะเป็นยังไงโผลจะได้ของร้อนอีกชนิดหนึ่งเลยนะดื่มขึ้นมาแล้วก็ือของร้อนดีก็เหมือนกันนะครับผสมดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างชั้นเยี่ยมทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นทำนี้จึงเป็นธรรมะอันเลิศธรรมะอันเอกธรรมะที่เยี่ยมจริงๆส่วน คำวิสัชนาเก้าข้อคือเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของอริยมรรคนะดูว่าก่อนที่จะบรรลุอริยมรรคเนี่ยลําดับขั้นตอนก่อนที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยเขาขึ้นมาได้ยังไงสภาวะที่สมาทานสมาทานนสิกขาเนี่ยต้องสมาทานเลยเนี่ยไหมสิกขาญาสมาทานนโถสมาทานยะถือเอาโดยรอบแห่งสิกขาสิกขาทั้งหลายมีศีลสิกขาเป็นต้นเนี่ยนะต้องสมาทานถือเอานะถ้าไม่สมาทานเนี่ย สิกขามจะเกิดได้ไหยไม่ได้เนี่ยท่านบอกให้สมารา น, นั่นนะแล้วก็สภาพที่เป็นโคโจรแห่งอารมณ์อันนี้นนนนนนนหมายถึงอะไรโคโจรแห่งอารมณ์หมายถึงตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญกรรมฐานเจริญอารมณ์เจริญกรรมฐานนั่นเองเหมือนเจริญอารมณ์แต่จริงๆไม่ได้เจริญอารมณ์เพราะมุ่งต้องการอบรมจิตเนี่ยนะไม่ให้ฟุ้งซ่านนั้นโคโจรแห่งอารมณ์ก็หมายถึงว่าสมาถะตัวเนี้ย เมื่อมีศีลดีแล้วก็กุศลจิตก็โครจรไปในอารมณ์กรรมฐานนะก็เที่ยวไปในอารมณ์กรรมฐานก็ได้ทีนี้ผู้ที่เที่ยวไปในอารมณ์กรรมฐานก็ต้องประคองจิตที่ย่อท้อนะนี่ลีนสัสจิตตสอัะะหัโธเนี่ยนะหมายถึงว่าเมื่อจิตยอ่อท้อเกียดคิค้านด้วยอำนาจทีนมิทเอ่ยย่อท้อทีนามิธาเา น, าานี่ยนะ ลีนะตัวนั้นเนี่ยหมายถึงธีนะมิธาเป็นต้นเนี่ยนะเขาต้องเจริญธรรมวิจยะเจริญวิทยะเจริญปีติสัมโพชงจะได้ตื่นขึ้นเน่ยนะมันย่อท้อมันเบื่อหน่ายมันง่วงงาลมันเสื่องเสืมมันโอยสรุปไม่ดีโดยประการทั้งปวงเหมือนคนป่วยอย่างนั้นนะนะหมดเรี่ยวหมดแรงไปหมดเลยอันนี้แหละที่จะต้องเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงนะวิิยะสัมโพชงและปีติสัมโพชงส่วน ต่อไปสภาวะที่ขมจิตที่ฟุ้งซ่านหมายถึงว่าอุทธะมันกำเริบมันก็ต้องให้จิตนี้สงบด้วยเจริญปัสสัตที่สมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสัมโพชงอันผู้ที่จะปฏิบัติให้บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะเบื้องต้นอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมเบื้องต้นคือการสมาทานสิกขาการเจริญกรรมฐาน การประคองจิตที่ย่อท้อการข่มจิตที่ฟุ้งซ่านเสร็จแล้วก็คุมจิตอันบริสุทธิ์จากความย่อท้อและฟุ้งซ่าน้วยประการทั้งสองหมายคําว่าทํายังไงอ่ะเมื่อไม่ฟุ้งแล้วไม่ฟุ้งซ่านด้ว ย, ไ ม, วยไม่ท้อด้วยควบคุมให้มันเป็นไปอย่างนั้นได้ยาวๆเนี่ยถ้าเป็นพวกขับรถนะ่าจะนึกออกในชะ่ไบางช่วงก็ต้องผ่อนบางช่วงก็เร่งถ้าร้อยี่สิบอยู่แล้วทํายังไงประคอง <laughs> ไม่ไม่ใช่ผ่อนนะ <laughs> ใันพอดีเลยนะก็คือประคองอ่ะนะให้มันเป็นไปด้วยดีอ่ะคือจะเรียกว่าผ่อนก็ไม่ใช่ใช่ไหมจะเร่งก็ไม่ใช่อ่ะแต่จะเรียกว่ารถหยุดก็ไม่ใช่หมายว่ากำลังวิ่งอยู่กาลังพอดีอ่ะไก็ขับรถก็รู้สภาวะเหล่านี้อยู่แล้วนี่มาดูต่อไปว่าสภาวะที่จิตมันลุกคุณวิเศษ บรรลุคุณวิเศษตรงนี้นี่หมายถึงข้าอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะอันนี้บรรลุคุณวิเศษเลยใช่ถ้าทำได้ตังที่กล่าวไปแล้วนนะเช่นยกในยกจิตในสมัยที่ควรยกประคองในสมัยที่ควรประคองข่มในสมัยที่ควรข่มแล้วก็ให้จิตเนี่ยดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอถามว่าจิตบรรลุคุณวิเศษได้ไหมได้ก็เรียกว่าจิตบรรลุคุณวิเศษมันก็แทงตลอดอริยมรรคอันประเสริฐ เมื่อแทงตลอดอริยมรรคก็ตรัสรู้อริยสัจใช่ไหมสัจจาพิสมัยพวกกันเห็นไหมสัจจาพิสมยัยโถเห็นไหมสัจจาพิสมัยโถก็ตรัสรู้สัจจาเมื่อตรัสรู้สัจจาแล้วก็ให้จิตดำรงอยู่ในนิโรธเข้าพละสมาบัติเป๊ะเนี่ยนะถ้าใครจะถือเอาแต่สภาวะข้อปฏิบัติอย่างเดียวนะเนี่ยดูคํำวิสัชนาก้าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะต้องเป็นไปตามนี้ หมายถึงอะไรนะกราฟของขอ้อความปฏิบัติกราฟของสภาวะมันโตขึ้นยังไงยังไงยังไงยังไงไงข่มยังไงประคองอยังไงแล้วบรรลุยังไงแล้วนิ่งยังไงนะก็ดูเอาของเราดูว่าแนวโน้มเป็นไปได้แค่ ไ, ไหนะเอาไว้ตรวจเราด้วยนะอ๋ออยากบรรลุกันเหลือเกินเนี่ยก็มาดูดูก็แล้วกันไม่อยากบรรลุนะเราจะพูดให้บรรลุนะอยากบรรลนะุเนี่ยมาเข้าบรรลุอะไรมาดูหน่อยใช่ของเรานี่จะได้อยู่ข้อเดียวเนี่ยนะสมการ ได้ขอสมาทานสิกขาบทเย่ค่ะการมิวัตการเย้ค่ะคือตรงสมาทานสิกขาบทเนี่ยบางท่านอาจจะเพิ่งทําความเข้าใจว่าการที่เราไม่ทําความชั่วใดๆเนี่ยก็ถือว่าเรามีศีลหรือเรามีสิกขาบทอันนี้แล้วศีลหา้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยคิดว่าในการสมาทานเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําผิดเนี่ยก็จะยิ่งเป็นสิ่งเป็นบาปเป็นกรรม บงคนคิดอย่างนั้นด้วยซ้ำเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแค่ข้อบพื้นฐานตรงนี้เนี่ยอยากให้พระคุณเจ้าแสดงนิดหน่ยอยเจ้ค่ะว่าการที่เราไม่สมาทานหรือถือเอาแล้วเราทําผิดกับการสมาทานแล้วเราทําผิดเราสมาทานใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเพราะว่าบางท่านยังไม่ค่อยชัดเจนในตรงจุดนี้เลยเช้ค่ะอืใครเคยถอดรองเท้าเดินบ้างเคยนะ แล้วก็ถนนเนี่ยเสียแก้วเต็มไปหมดเลยแล้วเดินไปเนะี่ยเราบอกว่าเราจะตั้งใจเดินนะก็เลยไปเหยียบแก้วอันหนึ่งป๊อบเข้าไปก็ถอดอันนั้นออกนะไหมแล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องไม่เดินให้แล้วเหยียบเหยียบกันเลยรำคาญไม่ต้องระวังมาแล้วเดินมาไปเลยลุยเลยอันไหนจะดีกว่ากันถามว่าควรทํำยังไงเมื่อถอดรองเท้าเดินบนถนนที่เต็มไปด้วยแก้วด้วยน้ําเป็นต้นเนี่ยนะทํายังไง ก็ตั้งใจหรือเหมือนบางคนขับรถใช่ไหมเขาขับรถออกไปแล้วเฉี่ยวคิดเพิ่มนิดหน่อยทําไงก็เลยอ่าระวังเฉียวอีกระวังบอกเลิกขับรถเลยไม่ใช่ใช่ไหมตอนนี้ก็ลักษณะเดียวกันมันก็ถ้าเรามองแบบการเดินทางเนี่ยนะก็ควรที่สํารวมระวังเมื่อมันผิดมันพลาดแล้วจะไปทำยังไงเมือมนพลาดไปแล้วก็คือระวังใหม่ๆ ทำไมเราไม่คิดว่าระวังทีหนึ่งก็ปฏิบัติธรรมทีหนึ่งเจริญกุศลทีหนึ่งทีนี้ก็ไปเอาไอ้อัตตาตัวเก่าเนี่ยนึกว่าชั้นนี่มันคนแน่นะฉันพูดอะไรแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่แน่มากเลยนะน ก, ก็แน่จริงก็อยา่าโกรธสิแน่จริงก็อย่าผิดศีลนะแน่จริงก็อย่ากุศลสิมันก็เป็นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพลาดแล้วก็ทําใหม่มันทํำยังไงมันพลาดไปแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าเออเนี่ยจะได้พลาดสักทีแล้วจะได้ทําใหม่ไม่ใช่มีใครเขาคิดอย่างนั้นหรอกแต่หมายถึงว่าพลาดแล้วจะทํำยังไง แล้วก็ต้องสมาทานใหม่เพราะมันเหมือนกับเหมือนกับเดินเหยียบเศษแก้วนะก็ะเอาเศษแก้วออกซะแล้วก็ระวังใหม่ไอ้เหยียบอีกอ่ะมันปวดแล้ว่มันเจ็บแล้วก็เอาออกใหม่แต่ก็ไม่รู้อะไรเหยียบไว้เท่าไหร่ก็แผลเท่านั้นแ้่ถามว่าแล้วจะหยุดอยู่ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่หยุดไม่นานเดี๋ยวมัเปนะิดน่ะเพราะมันอันตรายรอบด้านาน่ะนะเหมือนกับเหมือนอย่างว่าถ้าอย่างนี้ก็เหมือนรถไปเสียอยู่กลางถนนแล้วร ถ, ถ้ายกลางถนนในต่าลึกอ่ะนะ เศษแก้วเศษขวดเศษน้ําเต็มไปหมดป่าเสือช้างเต็มไปหมดเลยและระหว่างเดินทางเราก็าระวังแล้วมันก็ยังเหยียบอีกเนี่ยนะก็เลยไม่ต้องเดินทางให้อยู่ที่นั่นแหละอยู่ในป่าในเหวเขานั้นน่ะนะช้างกินดีกว่าคือแ่า ไ, ไม่ก็ค่อยๆ อ, อย่างนี้ไปเรื่อยๆพวกที่บุญน้อยทั้งหลายไม่มีรา ช, ชรถมาเคยรองรับเอาไปก็อย่างนี้แหละทําพุนมาน้อยไม่ทันพระพุทธเจ้าก็อย่างนี้แหละก็ค่อยๆติดตามไปร่องรอยท่านไปทางนี้นะท่าน อะไรนาะคาเครื่องหมายเอาไว้เต็มบรรทมดให้เราเดินทางก็เดินตามไปเพราะฉะนั้นผิดครั้งหนึ่งก็ก็เอาไม้นั่นก็เพียงแต่ว่าอย่ารู้สึกว่าชินชากับการทําความผิดนี้ก็ถือว่าความถูกต้องแล้วแต่เมื่อใดที่รู้สึกว่าชินชากับความผิดอนนั้นเสียหายแต่ว่าไม่ควรชินชากับความผิดมีความสํารวมระวังอยู่เสมอก็สมาทานไปบ่อยๆนะถ้าว่าให้เต็มๆเลยนะ เห็นทุกคนและสมาทานทุกครั้งด้วยยิ่งดี น, นะเกี่ยวข้องกับใครนะมีใครเป็นอารมณ์ก็สมาทานกรรมบดสิบเพราะเราไม่ผิดกรรมบดสิบที่ไหนหรอกก็คนที่เราเกี่ยวข้องนะเช่นถ้าเราเกี่ยวข้องในห้องทั้งห้องเนี่ยสมาทานนะขอสมาทานกุศลกรรมบดประพฤติกับผู้การเนกะักับทุกคนทุกคนสมาทานเอาไว้ให้ดีว่าแต่ละแห่งแต่ละแห่งจะได้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการล่วง อกุศลกรรมบดนั้นก็หมั่นสมาทานไว้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆถ้าเผลอไปเผลอเจอกับใครจสมาทานใหม่ตรงนั้นรั่วแล้วเอาใหม่ก็สมาทานใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยตั้งใจเพราะ อ, อันนี้เป็นทรัพย์ของเราเป็นอริยทรัพย์ของเราก็ต้องระวังเหมือนกับว่าเมื่อใดที่ล่วงอกุศลกรรมบดก็เหมือนกระเป๋ารั่วนะแล้ก็เย็บซะตรงนั้นก็นนจะได้รักษาทรัพย์เอาไว้ได้นะแต่ว่ารั่วไปเลยก็ไม่ต้องรักษาแลว้วกระเป๋าเลิกใช้แล้วสตังเนี่ยนัก็ไม่ดีกนะนั่นก็เลยทงไปอีก พวกสมาทานสิกขาสามก็คือเช่นคือถ้าเราเป็นคนโทสะจริตเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับอะไรไม่สบายใจตลอดอะไอย่างเงี้ยมันค่อนข้างอึดอัดหงุดหงิดเครียดไม่สนุกเลยบห ง, งือนกันเถอะไม่ไม่ค่อยโสมนัตเป็นคนอึดอัดบ่อยหมายความว่าเสียใจใบ่อยมากเดือดร้อนใจใบ่อยๆก็ต้องหมั่นสมาทานเจริญเมตตาให้ตัวเองมากๆคนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจเราสมาทานที่จะประพฤติ ไปด้วยเมตตาเนี่ยนะตั้งใจประพฤติเพราะว่าไอการตั้งใจสมาทานประพฤติเมตตาก็นับว่าเป็นศีลเหมือนกันเรียกว่าเจตสิกศีลอโทสักเนี่ยนะก็สมาทานประพฤติถ้าเรามีโทสักเราก็ขาดเมตตาต่อตัวเองไงไหมก็เจริญเมตตาดังที่สนทนากล่าวไปเมื่อวานว่าสมาทานนะให้เราเนี่ยตั้งอยู่ในศีล ขอให้เรารักษาศีลข้อที่หนึ่งได้บริบูรณ์ขอให้เราสมาทานศีลข้อที่สองได้บริบูรณ์ก็ปรารบศีลอย่างนี้ไปทุกข้อให้เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึลกถึงคุณของพระธรรมให้เรามีเมตตาต่อตัวเองนะเพราะว่าถ้าเราขาดเมตตาต่อตัวเองเราก็จะอยู่เป็นทุกข์ทุกทั้งโลกนี้ด้วยทุกทั้งโลกหน้าด้วยเป็นต้นนี่ยนะเราก็มานึกเจริญเมตตาให้ตัวเองคนที่เราเกี่ยวข้องเขาก็ปรารถนาความสุขไม่ใช่หรือ เนี่ยนะทำไมเราจะต้องไปเบียดเบียนเขาขอให้เขามีความสุขนะเราก็เจริญเมตตาให้เขาไปเนี่ยนะสมาทานอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นการเจริญเมตตาเนี่ยนะสมาทานเมตตาถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ราค่าจริตมองอะไรก็สวยงามไปหมดเลยก็นี้ทุกข์เหมนะครัมันสมาทานนั่นไปเลยวัตถุนั้นทุกข์เป็นไหมนะชราไหมอีกห้าสิบปีผ่านไปอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะ ก, ก็ก็พิจารณาอะไรนะที่ที่เราเรียนมาทั้งหมดก็เพื่อให้สมาทานให้อธิษฐานให้เจริญให้ประพฤตินั่นเองนั้นธรรมะในในกลุ่มนี้ก็ก็ดีนะเดี๋ยวอีกสักพักค่อยกล่าวถึงอินทรพละต่อไปพักสักนิดหนึ่งกรัน